เเป็นเช่นไรรักเธอมาตลอดฉันก็รู้ว่าเธอเข้าใจก็รู้ว่าเธอมีสิทธิ์จะเลือกจะตัดสินใจคนที่ดีที่สุดไม่ชอบดีเสมอไปฉันก็คนยังฉัน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 ไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันว่าเราลองตัวฉันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันว่าฉันดีพอฉันก็คนยังฉัน อาจจะดูไม่ใช่คนสำคัญแต่ขอแค่เธอมีฉันแต่ละวันก็คงเพียงพอในชีวิตนี้หายใจอาจจะไม่ใช่คนพิแสงทำตัวให้เกินกว่าเป็นอาจจะไม่ได้ดีเด่นทำตัวให้เกินกว่าใคร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 ฉันว่าเราลองตัวฉันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันว่าฉันดีพอ